เทพทางนี้เว้ยอ๋องเพื่อนอแย่เ yeah, ว้ยราคเปลี่ยนเสียงดูสิปูยีเนี่ยะแล้วนายเป็นไงมัางวะก็อย่างที่แกเห็นนั่นแหละวะฉันไม่เห็นอะไรน่าจะเห็นหน้าตาเดิมๆของแกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือนิสัยเหมือนเดิมทุกอย่างจริงเหรอนี่แกเห็นเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆเหรอเนี่ยก็จริงสิเพื่อนแม่ฉันประสึกษางานเป็นแรมปีนะน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเนี่ยก็ไม่รู้สิ ในสายตาของฉันเนี่ยายไม่เปลี่ยนเลยะเฮ้ยนายเข้าข้างฉัมากกันไปหรือเปล่าเพื่อนเฉันเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นก็ดีที่ฉันไม่เปลี่ยนแปในสายตานายแต่กับคนอื่นจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านอ้อนายหมายถึงใครวะใครเหรออืมฮะี่นายไม่รู้จริงๆเหรอรู้ว่าแกล้งไม่รู้กันแน่ไม่รู้ฉันจะไปรู้นายได้ยังไงฮะ เราไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นแรมปีแล้วเว้ยจะให้รู้เรื่องของนายทุกเรื่องน่ะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแต่เรื่องนี้นายรู้ดีขนาดนั้นเลยแน่นอนใครวะเปิดประตูรถก่อนสิแล้วเข้าไปในรถก็ได้ดีไปเพื่อนอ๋อวิเศษเลยเพื่อนเอาเปิดประตูรถเรียบร้อยแล้วนายจะเป็นคนขับหรือใช้ฉันขับเองนายขับดีกว่าวะ จะรู้สึกเปลียนแปงไงกไม่รู้อ่ะได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหาอยู่แล้ว กี้นี้อยู่ที่สนามบินนะนายสงสัยหมายถึงใครฮที่ว่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าก็นี่แล้วคนที่กําลังโทรไปหาอยู่เนี่ยไหนนี่ๆฉันกดเบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวนายฟังเสียงปลายสนะ า, ายนะพอจะรู้เปล่าว่าเป็นใครอะอะอะเ อ, อเอาไปฟังดูเลยแบงค์มือือนี่ก็นะฮัลโหลเทพเลยค่ะน้าเทพฮัลโหล เฮ้ยเทพนี่นี่นายโทรโทโทรหาทำไมล่ะเพื่อนฉันโทรหาแฟนฉันน่ะมันน่าตกใจตรงไหนวะก็ก็ก็คือว่าเออน่าเป็นอะไรของนายทรายังไม่เคยได้ยินเสียงแฟนฉันอย่างนั้นแหละเอ้าส่งมือถือมาชี้พูดเองปลาสาวยังงงไปไก่ตาแตกไปแล้วมั้งกูอยู่คนเดียวตั้งนานต้นสายไม่ยอมพูดด้วยสักทีฮัลโหลผมเองนะอุ๊ยคุณเองจริงจด้วย อ, อยู่ไหนให้ตอนนี้ก็คือว่าว่าไงตอบไม่ได้เหรอเป็นความรับนะงานที่รักเทพค่ะตอนเนี้เทพอยู่ไหนคะน่ะแล้วสูุคิดว่าผมน่าจะอยู่ที่ไหนละจา้าไม่เอาลคะค่ะอย่าเล่นลิ้นบอกมาเถอะค่ะถามอะไรคะเทพสุขไม่เห็นจะน่าถามตรงไหนเลยนี่คะก็ผมหัวเราแค่เนี้พอถึงหาว่าผมเล่นลิ้นน่ะฮะก็คือว่าเอาละละ ผมบอกสุก็ได้นะตอนนี้ผมกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับดีใจไ <Hey, S 1> หม หรอน้ำเสียงสูดเหมือนตกใจอ่ะแทนที่จะดีใจที่ผมเป็นสื่อางานต่างประเทศกลับมาแล้วพอถึงเราสองคนจะได้ลงเอยสัทีไงคือว่าเกบค่ะมีอะไ ร, รสคุคือว่าสุสุสุสทำไมอ๋อ <laughs> มีอะไรหรือเปล่าสุไม่ไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรค่ะอะแล้วสุล่ะสุทําไมคะตอนนี้สุอยู่ที่ไหนผูแหวนไปหาหน่อยได้ไหมอุ้ยจะมาอยู่นี่เลยเหรอคะเทพอืม เกรงว่าจะจะไม่ได้ค่ะเทพอ้าวเอ่เอทำไมอ่ะเพราว่าตอนเนี้สุไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วค่ะอา้าวนั่นสุอยู่ไหนเหรอตอนนี้สุอยู่สงขลาค่ะสงขลาเหรอค่ะสุไปทำอะไรที่สงขลาละฮะก็คือว่าอา๋อนั่นเสียงอะไรแท่กมาตามสายน่ะสุเหมือนเสียงพระสงฆ์กำลังสวดมนต์สุทำอะไรอยู่กันแน่องั้นแค่นี้ก่อนนะเทพ มีอะไรแล้วเดี <pentru ol SH> uh, ives, ๋ยวไปคุย <Te> กันอีกทีนะเดี๋ยวเดีุเดี๋ยวก่อนสุสุกำลังยุ่งค่ะแค่นี้ก่อนนะคฮะสุสุสยสาสุสุสุสุสุสุสุสุสาสุสุสุสุสุสุสุสุสุสาสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุส รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ชุมเวลาในชีวิตเรา มีชวนที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่รูมสุดตัวาตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แปลกที่ชีวิตคนพยายามเดินรอนคนหาเรื่อยไป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 It's not.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 ว่าไรที่มีความหมายและสำคัโอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืมความรู้สึกนั้นคาสำคัญนั้นมีค่าอย่าสไว้ให้ดีอย่าลืมคำว่ารักคำนั้ น, น, น, น, น, น, นที่เคยบอก คำสำคัญนั้นมีค่ารไวให้ดียคำว่ารักคำนั้นที่คบอกกันแกันงวันได้ลยามองบงสมองบงอย่าคำว่ารัก สิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหนังสือเล่มไหนวนเวียนวอกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกกับฉันว่าไม่รัก ไม่ขอเป็นเพื่อนใจแต่เธอฉันได้เห็นแววตาครั้งใดไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายาเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำ ก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแค็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไปด้วยหัวใจที่รอได้แต่วันสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกัน Di a di d oh y a ใจคนเรา ฉันก็ทาก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอข้างรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอได้ตาหวังสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยิน Come on. Right. 그대가낭친데고테그이유는몰랐었죠사랑이라무엇인지그대신에감사해요사랑이라없던건지그누도그대보단아름다울수가없죠대신에눈망울희생해줄수가없죠 คนนั้นฉันเรียกว่าเธอเกบซอนคมรักไม่ไกลไม่ไกลในอกคนซายตรงใจของเธอรกันที่ทให้ฉันรักใครดึงใจอยู่ใีควาันคนที่ฉันคิถึงทุกวันก็อใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ ารับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment พี่เออนายช่วยบอกทันทีสิฮบอกอะไรมันเกิด อ, อะไรขึ้นกันแน่อยู่ดีๆแฟนฉันทำไมถึงรีบวางสายไปเลยฮเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะอะไรกันเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็นานแล้วล่าสุดติดต่อกันเมื่อไหร่เราไม่เคยโทรคุยกันแล้วนะมาเรื่อยหลังๆเนี่ยเวลาของเรามันไม่ค่อยตรงกันเวลางานของฉันเชื่อโทรหาใครไม่ได้ ทำไปเจริญข้อขาบาดบาตายพอหลังเลิกงานสูทเขาก็ยังไม่ตื่นก็เป็นอย่างนี้โดาตลอดเลยนานๆที่จะไดโทรคุยกันทีอาแล้ววันหยุดนายล่ะฮะทําไมไม่โทรให้หายคิดถึงไม่เคยติดเลยนะไม่รู้เป็นอะไ ร, รเขาบอกบนถือสุูทที่ไรให้ฝากข้อความทุกทีเลยอยากคิดมากเลยเว้ยเธออาจจะมีความจําเป็นอะไรบางอย่างก็ได้วะจําเป็นบางอย่างอ่อ จะเป็นอะไรไ ม, ไม่รู้สิท่านจะไปตอบแทนแฟนนายได้ยังไง hey, เฮ้ยยิงพูดยิงงงวะเนี่ยเออและนี่จะตกลงในจะเข้าบ้านเลยว่าจะไปบ้านฉันแทนฮะไปบ้านฉันเลยเพื่อนแม่ฉันจะรอฉันอยู่ละมั้งได้เลยเพื่อนอ้าวโทรหาใครกันล่ะเพื่อนฮะก็ลองโทรหาสุขอีกครั้งยังไงก็เธอบอกว่าไม่ว่างไม่ใช่เหรอก็ทํานอนนั้นแหละแค่เถาจะทําอะไรอยู่ทําไมมีเสียงพระสงฆ์สวดมนต์แค่แค่นั้นอ่ะเป็นไง ถ้าโทรติดไหมติดติดติดแล้วรอคนรับสายอยู่อะเป็นไงรับสายหรือเปล่าล่ะ <c oughs> ฮะไ ม, ไม่ยอมรับสายวะ่ะเอ๊ะไปแหลงเขานะเธออาจจะมีธุระสำคัญทาอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวก่อยโทรเฮ้ไม่มีอะไรแล้วอยากรู้จังว่าไปทำอะไรที่สงขลานะ่เธอไม่มีใครอยู่ที่นั่นนีนาะตั้งแต่คบกันมานะไม่กลยยินเธอพูดถึงใครที่สงขลาเลยนะเนี่ย โอ้อะไรเพื่อนบ้านฉันสิเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยแม่นายนะจ้างบรร น, นากรมาออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในบ้านนะทาไม่นานได้ อ, อย่างเพื่อนก็สองสามเดือนแนละ้วมั้งแม่ฉันนึกไงขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาตกแต่งบ้านฉันเป็นวิศวกรออนที่รอฉันกลับมาจัด ก, การเองไปจ้างใครให้ค น, นบริษัททำเองหรือเปล่าก็คนในบริษัทนั่นแหละแต่พูกก็พูดแต่ว่า คนของเราเนะี่มีงานล้นมือก็ทำให้ได้เฉพาะนอกเวลาเท่านั้นนแต่แม่นายเนี่ยเร่งเหลือเกินฉันเลยปวดหัวมากว่ามแม่ทำทำไมล่ะเนี่ยก็คงจะต้องการสปรายวิศวกรอย่างนายนะมั้งอะไรจะขนาดนั้นจริงๆนะแม่นายนะ่ารักนายมากขอให้ทำแล้วก็ทำให้นายเนี่ยแฮปปี้แม่นายก็แฮปปี้สุดๆแล้วมแม่อยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สิเข้าไปก็รู้เองนะนายอ่ะ ฉันทำไมจะไม่เข้าไปด้วยกันเลยไงเอ่อฉันว่าจะแวะเข้าบริษัทเลยนะเพื่อนนะจะรีบร้อนทําไมเล่าอุตส่าห์มาส่งฉันทั้งทีเนี่ยก็อยู่กินอะกันก่อนสิแต่ว่างานของฉเฉยพักไว้ก่อนอนะนไม่ไทําสักวันสองวันบริษัทจะไม่เจ๊งหรอกเชื่อเหรออา้าก็ไปหาปาร์ตี้กันก่อนดีกว่าเร็วขึ้นนะเอาล่ะก็ได้ รครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าแข็งแรงดีใช่ไหมแข็งแรงดีครับแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกแม่กลับมาได้สักทีแมไปศึกษางานเกืบปีแล้วมั้งเนี่ยก็เกืบกืบปีแล้วครับแม่ไม่ไปก็ไม่ได้เนาะครับเพราะเราลังจะประมูลงานของหน่วยงานรัฐต้องมีความพร้อมทุกด้านนะครับแม่ดีมากลูก อันที่จริงแล้วอะทุกวันนี้งานที่บริษัทของลูกก็ล้นมืออยู่แล้วนะไม่ต้องดิ้นรนให้มากนักหรอกก็ได้ไม่ใช่เหรอลูกไม่ได้แล้วครับเรยาย่าอยู่กับที่ไม่ได้เด็ดขาด น, นะฮะเดี๋ยวคนรุ่นหลังไล่ตามทันแล้วก็แซงเราไปในที่สุดนะครับแม่อืมมันก็จริงของลูกนะเออแม่สบายดีนะฮะจ้าคงจะไม่มีการไปต่างประเทศอีกแล้วล่ะลูกอ๋อไม่มีแล้วครับแม่ดีลูกแม่ไปกับปี แม่คิดถึงจะแย่อยู่แล้วรู้ไหมครับแม่ผมคิดถึงแม่จะแย่เหมือนกันนะ่ะปากหวานก็เปรี่ยวตามเคยละสิลาวนะโอ้แม่ก็คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนใบสนิยบัตหรือจดหมาย